มาจากไหน ม, มาจากไหนมาจากพทีค่ะพี่ยาวมาล่ะไปไปัดที่บ้านแล้วก็แนะนาให้มาหาอาจก็เลยมาครั้งแรกมาถึงาอาจารย์คนที่น้าวาัาจยเป็องเทพนะคะาวนาแบบไหนเคยภาวนาแบบของพระเทียนอ่ะโอ้ดีแล้วก็ต่หลังนี่ก็มาเ ร, รียนแนะนำว่าต้องปฏิญาณอันนาปฏิญาณสติยาก ส่วนมากทำแล้วไปติดสมถะตัวยากจริงๆเลยเรื่องลมเฉียวฮนะโตขึ้นเยอะเลยโตเร็วนั่งให้สบายนั่งตัสบายคือการปฏิบัติปฏิบัติมันมีสองงานปฏิบัติสมถกะกับวิปัสสนา สมาธิทำไปให้ใจสงบให้ใจสบายส่วนวิปั ส, สนาเนี่ยจะต้องรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงจะต่างกันสมาธไปรู้อะไรก็ได้ให้มันใจมันไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวเขาเคลียในอารมณ์มันเดียวเดี๋ยวก็สงบกระทั่งอยกขยับมือไม่ไปคิดเรื่องอื่นรู้แต่มือเดี๋ยวก็สงบนี่สมถะส่วนวิปัสนาจริงๆ ในการรู้ทุกรู้กายรู้ใจจนกระทั่งรู้จริงรู้แจ้งว่าไม่ใช่ตัวเราเมื่อไรเห็นว่ากายกับใจไม่ใช่เราเนี่ยก็พ้นความหลงพอตัวรอดหลวงปู่ล่าปู่เจ้าก็บอกผู้ใดไม่เห็นว่าจิตเป็นตนไม่เห็นตนเป็นจิตเนี่ยก็พ้นทะเลหลงได้แล้วของเรายังเห็นจิตเป็นตนเห็นตนเป็นจิตเห็นกายเป็นตัวเราเห็นจิตเป็นตัวเราอยู่ ก็ยังพ้นความหลงไม่ได้ยังหลงผิดนี่เราจะละความหลงผิดตัวนี้หรือละสักกายทิฏฐินี่นเองภาษาปริยัติเรียกว่าสักกายทิฏฐิคือความเห็นผิดว่าตัวเรามีอยู่จริงๆคือกายกใจเป็นตัวเราวิธีละความเห็นผิดก็คือเห็นให้ถูกกระบวนการเห็นให้ถูกนี่แหละที่เรียกว่าวิปัสนาบ้างเรียกว่าการเจริญสติปัฏฐานบ้างจริงสติปัฏฐานเป็นคําที่กว้างกว่าวิปัสนา ท่าในสติปัฏฐานเนี่ยมีทั้งสมถะทั้งมิปัสนาอารมณ์บางอย่างก็เป็นสมถะเห็นพิจนากายเป็นปฏิกูลเป็นอะไรพวกนี้เห็นพิจนากลายเป็นศพอันนี้เป็นสมถะถ้ารู้ที่สิ่งที่เป็นรูปธรรมจริงๆรู้รูปยืนเดินนั่งนอนกู้เหยียดพวกนี้เ่็จะเป็นมิปัสนานี่เราทํำมิปัสนาเพื่อจะเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริง เมื่อเราอยากเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงเราจะทำมิปัสสนจะต้องไม่ไปดัดแปลงไม่ไปแทรกแสงไม่ไปบิดเบือนกายไม่ไปบิดเบือนใจมันเป็นอย่างไงต้องรู้ว่าเป็นอย่างนั้นเชีย่นหลักของการทำมิปัสสนาก็คือกายเป็นอย่างไรรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตใจของเราเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ไปคิดคิดเอาต้องเห็นของจริงๆเห็นกายเห็นใจของจริงๆรู้ลงไปจริงๆ ไปคีดเอาไม่ได้นี้เราจะรู้กายรู้ใจได้เนี่ยคนในโลกเนี้แทบไม่มีใครรู้กายรู้ใจนะรวมทั้งพวกเราห่างเก็บตัวเองให้ดีวันๆเราอยู่กับความเหมือ่อความเผลอความหลงเยอะมากในโลกเนี้ยแทบจะหาคนที่รู้สึกตัวขึ้นมาเนี่แทบไม่มีเลยเราจะรู้กายรู้ใจได้ต้องรู้สึกตัวหลวงพ่อเทียนถึงเน้นว่าต้องรู้สึกตัว ครูบาอาจารย์มัดตาบอาให้มีผู้รู้ไว้ก็คือให้รู้สึกตัวว่าอย่าให้หลงไม่ใช่ผู้หลงมัต้องเป็นผู้รู้แล้วแต่สำนวนจริงก็คือต้องรู้สึกตัวถ้ารู้สึกตัวไม่ได้ก็ลืมกายลืมใจรู้กายรู้ใจไม่ได้รู้กายรู้ใจไม่ได้ก็ทํามิปัสสนาม่ได้ทํำมิปัสสนาไม่ไ ด, ไได้ก็เห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงไม่ได้ก็ละความเห็นผิดเกี่ยวกับกายกับใจไม่ได้นี่เป็นเหตุเป็นผลทั้งระบบเลย ศา ส, สนาพุทธจะเต็มไปด้วยเหตุผลเหตุผลที่ทำได้ด้วยไม่ใช่เหตุผลที่คิดเอาสนุกงั้นสิ่งแรกที่พวกเราต้องทําให้ได้ก็คือรู้สึกตัวให้ได้ทำไงจิตใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ใจลอยถ้าใจลอยไปก็ใช้ไม่ได้ใครไม่เคยใจลอยมัง่งแสดงตัวหน่อยยกมือหน่อยรู้จักใจลอยไหมเขียวรู้จักไหม ใจลอยบ่อยไหมวันมหนึง่งเราใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับการใจลอยนะใจลอยมีหลายเกรดนะใจลอยสุดขีดเนี่ยไปคิดอะไรก็ไม่รู้ใจลอยระดับรองลงมาเนี่ยไปคิดอะไรก็รู้แต่รู้เรื่องที่คิดแล้วลืมตัวเองนะค่อยๆสังเกตเวลาที่เราคิดเรารู้เรื่องที่เราคิดเนี่ยเราลืมกายลืมใจตัวเองพื่อแต่ไปรู้เรื่องที่คิดนี่ก็ใช้เรียกว่าใจลอยเรียกว่าหลงเหมือนกัน ถ้าคอยสังเกตไปเรื่อยๆเวลาเราเห็นคนเดินมาเราไปดูเขาเราเห็นแต่เขาแล้วเราลืมกายลืมใจตัวเองนี่เรียกหลงดูเวลาเราฟังอย่างฟังอาตมาพูดนี้รู้เรื่องที่ฟังเนี่ยฟังเรารู้เรื่องที่ฟังแต่ขณะฟังนวลืมกายลืมใจของตัวเองนี่นเราจะลืมกายลืมใจตัวเองอยู่ตลอดเลยนั่งอยู่เฉยๆก็นั่งคิด คิดเรื่องนอนเรื่องนี้รู้เรื่องที่คิดแล้วลืมกายลืมใจเงั้นนี้ศาสนาเลยกลายเป็นเรื่องลึกลับทํายากความจริงถ้าไม่มันจะไม่ยากเลยนะถ้าเราคอยรู้สึกตัวอย่าหลงนานหลงนิดนิดหน่อยหน่อยพอต้องหลงไม่หลงไม่ได้นะทุกคนต้องหลงเพราะเราไม่ใช่พระอราหันต์แต่อย่าหลงนานหลงนิดหน่อยเนี้ยหลงแบบดูออกไหมรูให้ทันอย่างนี้ ไม่ว่าเราห e ัดเห็นสภาวะแล้วเรารู้ทันจิตที่หลงไปพอเรารู้ทันจิตที่หลงไปจิตก็จะรู้สึกตัวจะตั้งมั่นขึ้นมาชั่วขณะนะจิตที่รู้สึกตัวตั้งมั่นชั่วขณะนี่แหละไม่ว่าจิตที่มีสัมมาสมาธิไม่จิตมันมีสัมมาสมาธิมันจะเปิดทางให้เกิดปัญญาคือพอเรารู้สึกตัวเนี่ยใจตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิเราก็จะสามารถรู้กายรู้ใจได้ การรู้กายรู้ใจนั่นแหละเป็นปัญญาปัญญาไม่ใช่คิดเรื่องกายเรื่องใจนี่การรู้พอเรารู้สึกตัวเราก็รู้ได้อยู่แล้วไม่ต้องทําอะไรการรู้ไม่ต้องไปทําอะไรที่พิลึกพิลึกส่วนใหญ่พวกเรานักปฏิบัติเราคิดถึงการปฏิบัติแทนที่จะรู้เอาก็จะไปนั่งเพ่งหน่วงนั่งเพ่งนั่งจ้องไปดัดแปลงจิต แทนที่จิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นก็ไม่ทําอย่างนั้นหรอกชอบทําใจให้ซึมซึมแข็งแข็งทื่อทื่อไปก่อนทําเป็นขึ้นขึ้นนะดูมันมีมากของนักปฏิบัตินี่เปความหลงทั้งสิ้นเลยกระหายของเราเป็นยังไงให้รู้เป็นอย่างนั้นใจของเราเป็นไงให้รู้ว่าเป็นอย่างนั้นนี่หลักของการปฏิบัติแต่พวกเราชอบเริ่มต้นโดยการไปทําใจให้ซึมซึมแล้วก็ไปดัดแปลงอารมณ์ เคยหายใจสบายๆหายใจมาตั้งแต่เกิดไม่เหนื่อยไปเปลี่ยนจังหวะา ก, การหายใจเหนื่อยเคยเดินนะเดินช็อปปิ้งหลายชั่วโมงไม่เป็นไรไปเดินจงกรมนะดัดแปลงค่าเดินก็เหนื่อยเคยหายใจเข้าหายใจออกเคยเจอกระดุกกระดิกอะไรเนะี่ยเคยรู้สึกตัวตามธรรมดาก็ไปทำให้มันผิดธรรมดาขึ้นมานเรียกเราไปดัดแปลงแทนที่เราจะไปฝ้าดัดแปลงจิตใจดัดแปลง เกีออยรติาอาการของกายให้คอยรู้ไปรู้ตามที่เขาเป็นถ้าทําตามที่พระพุทธเจ้าบอก ง, ง่ายง่ายมากเลยท่านสอนง่ายๆท่านบอกว่าพิสูจทั้งหลายให้เธอมีความรู้สึกตัวต้องรู้สึกตัวนะเริ่มต้นพิสูจทั้งหลายให้เธอมีความรู้สึกตัวในการก้าวไปในการถอยหลังในการคู่ในการเหยียดในการยืนเดินนั่งนอนกายของเธออยู่ในอาการอย่างไรรู้วอยู่ในอาการอย่างนั้น ไม่ได้บอกให้ดัดแปลงตุยอาการอะไรของกายพยักหน้ารู้สึกไม่ใช่พยักหน้าแล้วเผลอน ะ, น ะ, นะหัดคอยรู้สึกตัวเรื่อยๆพอเราเกิดความรู้สึกตัวถี่ขึ้นถี่ขึ้นเนี่ยความหลงก็สั้นลงสั้นลงจิตก็ตั้งมั่นมากขึ้นมากขึ้นสติก็ทํางานได้ละเอียดประณีตขึ้นมีอะไรแปลกปลอมเข้ามานิดหนึ่งก็จะมองเห็นนะถ้าใจเราไม่ตั้งมั่นสติทํางานไม่ได้จริงหรอก จิตใจของเราเนี่ยคลุกอยู่กับอารมณ์ทั้งมันมาตั้งแต่เกิดไม่เคยหลุดออกจากอารมณ์เลยที่มันคลุกอยู่ใจหลงอยู่กับกองทุกตลอดเลยถ้าเมื่อไหร่ใจสามารถตั้งมั่นมันจะหลุดออกมาจากกองทุกชั่วคราวจะรู้สึกตัวขึ้นมาแพอใจเราเริ่มเคลื่อนเข้าไปเริ่มไหลเข้าไปทํางานนี่เราจะเห็นทุกชัดเลยเีรงะฉะน้นต้องใจต้องตั้งมั่นสติอย่างคมกัญญาถึงจะเกิด ก่อนที่ท่านจะสอนเรื่องการเจริญปัญญาสังเกตไหมท่านสอนเรื่องศีลสมาธิปัญญาสมาธิคือการฝึกยังไงให้ใจตั้งมั่นไม่ใช่ฝึกให้ใจสงบฝึกให้ใจตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวให้ใจอยู่กับตัวจะให้เผลอไปหนีไปรู้ออกไหมหนีแวบบแวบบแวบเบนีแบบ่ยห้ามไม่ได้ไม่ฝึกเพื่อจะห้ามด้วยให้รู้ไม่ห้ามทําไมถึงไม่ห้ามเพราะห้ามไม่ได้ จิตเองก็เป็นอนัตตาห้ามมันไม่ได้สติก็เป็นอนัตตาทำให้เกิดไม่ได้เ <Yes. S 1> น, นังให้เข้าใจเนี่ยสติมันจะเกิดขึ้นมา <Yes. S 1> ดูออกไหมไหลวัเ <Yes. S 1> นี่หัดอย่างนี้หัดดูไปหัดรู้ไปเรื่อยๆห <Yes. S 1> ลงไปล้นะ <Yes. S 1> เอาเขียวโมวดูคนอื่นลืมตัวตัวเองเห็นไหมยอย่างนี้ก็หลงนะ ดูออกยังไ ม, ไม่ไม่ยากอ่ะอย่าคิดมากคิดมากยากนานไม่ต้องคิดมากนะใครรู้ทันใจของเราใจเราหนีวับแวบวบแวบรู้ไปเร้่ไม่สังเกตไหมเนี่ยรู้สึกเพียงแค่นั้นนะะอย่าไปทำอะไรเพิ่มขึ้นมาเนี่ยรู้สึกได้ยาวรู้สึกได้ดีมันยังปล่อยไม่เส็น ความหนักเนี่ยเป็นตัวทุกข์ตัวทุกข์เป็นตัววิบากทุกข์ไม่ใช่ตัวกรรมหรือไม่ได้กระทำํำจะเป็นผลของการกระทําทางใจการกระทําทางใจเนี่ยมีกิเลสเป็นเหตุเป็นปัจจัยเขามีกิเลสอยากปฏิบัติเนี่ยโลภตัณหาแล้วก็ส่งใจเข้าไปทํางานนะครับประคองอยู่เพื่อสร้างภพขึ้นมาแล้วทากรรม ผลก็คือหนักเพราะ ง, งั้นจะไปละความหนักไม่ได้นะต้องตัดที่ต้นเหตุไม่ใช่แต่ตัดที่วิบากสังเกตไหมใจยังมีโลภะอยากปฏิบัติ ด, ดูออกไหมดูเท่าไปที่กิเลสนี่เพราะ ง, งั้นถ้าดูผู้เจ้าสอนใช่ไหมจิตมีโลภะจิตมีราคาให้รู้ว่ามีราคาไหมไม่มีคือไม่ดูไม่ใช่ไม่มีมีโลภะอยากปฏิบัติไม่รู้ว่าอยากปฏิบัติ ก็ลงมือปฏิบัติก็แน่นขึ้นมาเพราะน้นดูที่ต้นทางคือดูที่ตัณหาของเราความอยากปฏิบัติถ้าจัดมันทิ้งเสียให้ละความอยากเสียอย่าไปละทุกนะตัวอึดอัดเนี่ยไม่ละมันให้รู้มันละความอยากนะมันเป็นต้นทางถ้าหลําไปแล้วรู้ไหมให้รู้ไปเลยเดย้ตอนเนี้ไม่ทาแบบนี้ไปก่อน ทำอย่างที่ทำช่วงนี้ใช้ได้และดีขึ้นและใช้เวลาหลายปีกว่าจะดี mm hmm. ไงคุณมลยังไงก็ดีเหมือนกันนั่นหลงลนะหลงทำละดูหมอึดอัดเมื่อไรใจอึดอัดเมื่อ น, นั้นจิตเป็นอกุศลจิตนะ ท, ที่อึดอัดเป็นอกุศลและจิตนะถึงจะอึดอัดจิต ท, ที่เป็นกุศลไม่อึดอัดหรอก เอาคุณเสื้อสีชมพูใจลอยทราบไหมรู้จักใจลอยอยังหัดอย่างเงี้ยหัดรู้จักใจลอยนะหลวงพ่อสอนไม่เหมือนชาวบ้านเขาเท่าไหร่ม่เขาสอนเน่ยายใจเข้าอยังโน้นหายใจออกนี้เดินอย่างนั้นเดินนี้หลวงพ่อจะเริ่มสอนให้ให้รู้สึกตัวก่อนก่อนจะไปยืนเดินนั่งนอนตามรู้จะเริยนสติปัฏฐานได้ก็ต้องตั้งมั่นก่นรู้สึกตัวก่อนไางนั้นมันจะไม่ได้ ศีล ส, สมาธิปัญญาไม่ครบใจไม่ตั้งมั่นไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาหรอกจะรู้กายก็ไปเพ่งกายจะรู้ใจก็ไปเพ่งใจเนี่ยเนี่ยเห็นไหมของฟลอมดูออกไหมมันแน่นนะรู้เปล่าถ้าแน่นเลาหยุดเลยผิดละผิดแล้วอยากขยันนะรู้จักเผลอหรือยังดูออกไหมว่าวันหนึ่งเราเผลอเยอะ เียให้รู้ไวๆอย่าเผลอยาวนะเผลอบ่อยๆได้แต่ห้ามเผลอนานถ้าเผลอนานถ่าเผลอลวลันละไม่ไกี่ครั้งไม่ดีเผลอสั้นๆเดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็เผลอย่างนั้นดีกว่านะให้สังเกตใจเราลงนะโอ้ตื่น <c oughs> เออนะไม่รู้ทันอย่างนั้น โย่เฉยๆนะโยอย่าไปทำอะไรดีละอย่าไปอัดมิดนึงนะเครื่องวัดความก้าวหน้าก็คือรู้สึกตัวได้บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเผลอสั้นลงสั้นลงเผลอยาวๆก็สแสดงว่าไม่ก้าวหน้าเห็นไหมคุณคุณผู้หญิงนะใครลอยละเนี่ยสังเกตออกไหมเมื่อกี้มันหนีไปใจมันลอยไปเนี่ยคอยรู้ทันอย่างนี้ ใจหนี้ไปเรารู้นีไปเรารู้นะในสุดเราจะรู้สึกตัวพอเรารู้สึกตัวได้เนี่ยถ้าเราผ่านบทเรียนที่หนึ่งแล้วใจเราตั้งมั่นละมีสัมมาสมาธิละมีจิตสิกขาละก็เหมือนที่พระพุทธเจ้าสอนที่สุดทั้งหลายให้เธอมีความรู้สึกตัวเรารู้สึกตัวแล้วค่อยมารู้กายรู้ใจแต่ถ้าเรารู้สึกตัวไม่ได้รู้กายรู้ใจไม่ได้เธรู้แต่ความคิดรู้แต่สมมุติบัญญัต คุณผู้ชายอย่าคิดยาวใจมันหนีไปคิดมันเผลอถล่ำไปคิดเคยรู้ทันนะเนี่ยเราอย่าคิดเป็นเรื่องยาวใครมีอะไรจะถามเชิญมันนี้เยอะเรนจะสอนเงยแล้วไม่มีคนถามจบแล้วจบแล้วจนะเชิญกลับบ้าน <laughs> ก่อนจะกำหนดรู้ลมหายใจสังเกตกันทำไมมันอยากกำหนดถ้ารู้รทันความอยากเลยนพอรู้ทันความอยากเนี่ยจิตไม่มีความอยากแล้วรู้ลมหายใจมันจะรู้อย่างแสนจะสบายรู้เบาๆรู้สบายสบายถ้าเริ่มต้นด้วยตัณหาเริ่มต้นด้วยความอยากกำหนดลมพัวนีแน่นแน่นนะลมหายใจเลยกลายเป็นคุกขังจิตไม่ใช่เป็นเครื่องอยู่อาศัยไม่ใช่วิหารธรรม แล้วาหายใจหายใจเพื่อกระตุ้นความรู้สึกตัวใช้ได้ไม่ได้หายใจเอาสงบหายใจเอาความรู้สึกตัวคือความรู้รู้ทันใจรู้ทันใจ ต, ต้องรู้ทันใจของเราหายใจไปแล้วใจหนีไปแล้วรู้มันไงคุณหมอรังสันเป็นยังไงบ้างฮะ <c oughs> มันยังทําไม่เลิกนะมันแข็งอยู่ <c oughs> ใครดูนะ ดูไปเรื่อยๆดูเล่นๆอย่าเอาจริงไอ้ลอยแล้วคุณอกใจลอยซ้ำดูออกไหมหนีอีกรอบพยายามจะไปดูนี่ก็หลงไปดูขที่ใจลอยถ้าดึงขอร้ตัวแล้วดึงกลับมาจะไม่ได้อย่าดึงต้อง ด, ดึ ง, ดด ง, งคืองนี้ขณะที่ใจลอยเนี่ยจิตเป็นอ ก, กุศลขณะที่รู้ว่าใจลอยเนี่ยจิตเป็นกุศล ขณะที่อยากจะดึงคืนเนี่จิตเป็นอกุศลคนลกขณะกันมันมีตัณหามีความโลภแล้วจะเอาคืนทำไมถึงหวงแหนจิตนักจิตหนีไปแล้วอยากเอาคืนเพราะมันสำคัญผิดอยู่ว่าจิตมีดวงเดียวจิตคือตัวเราตัวเราหนีไปแล้วเราต้องเอาคืนความจริงจิตเกิดแล้วก็ดับเกิดล้วก็ดับจิตที่เผลอไปเป็นจิตอกุศลถ้าเรารู้สึกตัวเนี่ยจิตอกุศลดับเกิดจิตที่เป็นกุศล เขาเกิดตัณหาเกิดความอยากเกิดโลภะอยากเอาคืนจิตเป็นอกุศลนั่นจิตน้ะเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเข้ารู้ลงไปจิตไปเกิดทางตาไปดูแล้วก็ดับเกิดทางหูแล้วก็ดับเกิดทางใจแล้วก็ดับนั่งฟังอาตมาพูดเนี่ยสังเกตไหมเดี๋ยวก็ตาดูดูหน่อยนึงเดี๋ยวหูฟังนิดนึงแล้วก็ไปคิดยาวๆดูออกไหม เพนั้นส่วนใหญ่ทํางานอยู่ทางใจทางตาทางหูทํางานทีละหนึ่งขนาดจิตทางใจทำเพียงเจ็ดขนาดเนา่ตำาเขาว่างนั้นลองดูสิจริงๆนะทางใจทําเยอะฟังหน่อยหนึ่งเลยคิดเยอะเพราะงั้นเราหลงหอยู่ในโลกของความคิดเนี่ยเยอะมากหลวงพ่อเสียนถึงสอนทำไงให้หลุดออกมาอย่ให้รักคิดเนีย่ยให้หลงคิดพอเราฟังปุ๊บเราก็หนีไปคิดแล้วเราฟังปุ๊บก็หนีไปคิดแะ คุณหมอรังสรรค์ดูออกไหมมันหลงคิดนะนะมันลักคิดนะหลวงพ่อคำเขียนใช้ลักคิดลักคิดละเอียด น, นะคำว่าลักคิดเพีว่าหลงคิดคือพอตาเรากระทบรูปปั๊บใจเราก็แอบปรุงนะปรุงได้กระทั่งการปฏิบัตินะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันหนีไปคิดแล้วนะรู้ไวๆนะ จิตมันหลงไปโดยที่เราไม่รู้ไม่เห็นจิตมีโมหะหลงไปคิดนั่นคือจิตมีอุทธัจจะฟุ้งซ่านเราะั้นถ้ารู้ทันจิตมีกิเลสไม่ได้จิตไม่ฟุ้งซ่านเนี่ยจิตจะตั้งมั่นรู้เนี่ยรู้ตัวเกิดกุศลเกิดสุติเหนไหมขาดไปอีกวาบแล้วมีไปคิดดูออกไหมต้องให้ได้อย่างนี้นะไม่งั้นไม่ได้แก่นสารของการปฏิบัติเลยได้แต่เปลือก เราไปนั่งขยับมือหลวงพ่อเทียนท่านขยับแล้วท่านรู้สึกอ่ะเราขยับแล้วเราฝันเลยต้องรู้สึกต้องเตือนอย่าให้หลงคิดไปหลงแล้วรู้ไหมบูชาตั้งใจก็ยังหลงหลออกไหมทําไมมันหลงเพราะมันห้ามไม่ได้เข้าใจไหมธรรมะพยายามสอนเราตลอดเวลาเลยว่าห้ามไม่ได้นะบังคับไม่ได้นะ ใจกับใจเป็นของห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้เขาสอนเราตรงนี้พอเรามุ่ง ม, มั่นปฏิบัติเพื่อจะบังคับเขาให้ได้พยายามเพื่อจะไม่ให้หลงนั่นแหะหลงละเนี่ยหลงอีกแล้ลวดูออกไหมเพราะงั้นหน้าที่ของเราก็คือจิตฟุ้งซ่านไปรู้ว่าจิตฟุ้งซ่านใช่ไหมพุทธเจ้าสอนอย่างนี้จิตมีราคะรู้ว่ามีราคะาไม่ใช่ห้ามจงอย่ามีราคะห้ามไม่ได้ ว่าจิตเป็นอนัตตาจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะจิตมีโมหะมันเผลอมันหลงรู้ว่ามีโมหะให้ตามรู้ไปเรื่อยๆในสุดก็จเข้าใจความจริงว่าจิตทุกชนิ ด, ดกเกิดเราดับกุศลทุกอย่างเกิดแล้วดับอกุศลทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับนี่ความรู้ลงไปถึงจะเห็นว่าเออกายกใจมีแต่เกิดกต่ดับหลงละรู้ไหม เนี่ยลงไปสังเกตเนั้อไหนหลงแหละหลงสังเกตนะดูออกอย่างดูออกไหมใจทํางานตลอดเวลาเนี่ยใจแอบปุงแต่งตลอดเลยเราไม่ใช่เห็นมันเ่ารู้ให้ทันเห็นไมนี่ไปปรุงละไหลรับรับรับขยับจะไปก็ไม่กล้าทีเดียวกลัวหลวงพ่อ ก, ก็กยึดยึดยึดออกไปแล้วถอยเข้ามาเห็นไดูออกไหมยัง <c oughs> ต้องคอยรู้ทันสภาวะให้ได้นะ ไม่งนเรไม่ได้แกนสารของการปฏิบัติเลยเราได้แต่รูปแบบครูบาอาจารย์ท่านอุตส่าห์พาขยับมือเราก็ฝันนยใช้ไม่ได้เห็นไหมขยับตัวก็ฝันนะไม่ห้ามนะที่หลพอบอกนี้ไม่ใช่ว่าจะตําหนิจีเตียนไม่ห้ามแต่ให้หัดสังเกตหัสังเกตใจที่มันไหลไปมันหลงไปดูออกไหมชอบไปชำเรืองมันน่ะ อะไรฝักดันให้คอยชำเลืองดูตัณหาหนั่นแหละอยากปฏิบัติตัณหาก็สร้างภพคือเกิดการปฏิบัติตัวภพก็คือตัวกรรมคือการกระทำทางใจโยตื่นโย <c oughs> อ้าเขียวสนใจผู้อื่นอีกแล้ว <c oughs> คุณหมอใจหนีไปแล้วคุณหมอ จะห้ามไม่ได้นะเขาสอนเรานะว่าห้ามไม่ได้เราก็พยายามไปฝึกห้ามเขาไม่ถูกนะไม่ได้ฝึกเพื่อจะห้ามเขาไม่ได้ฝึกเพื่อบังคับเขาฝึกให้เห็นนะความจริงว้าห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้เมื่อไหร่เห็นว่ากายกับจิตเป็นของห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้สติยาที่ฉีดถึงจะขาด